มงกุฎไพรเล่มสามตอนที่200ท่ามกลางเสียงหัวเราะหยอกเย้ากันอย่างสนุกคลึกครืน้นจันพูดมาทางเบื้องหลังของหนานอินที่เข้าไปแอบบังไว้บอกมาอีกดารินหัวเราะจนท้องคดท้องแข็งการได้มาพบหน้าพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนของระพินทำให้หล่อนเป็นสุขอย่างที่สุดแทบจะลืมเรื่องอื่นๆหมดสิ้นเพราะพวกนี้มีอารมณ์ขบขันสนุกสนานอยู่เสมอ ต่อให้อยู่ท่ามกลางมหาวิบัติภัยสักขนาดไหนก็ตามแล้วเขาเป็นคนดีหรือเปล่าละ่ะดีจริงอย่างที่ฉันคิดฉันหวังไวไหมหล่อนถามไปยังทั้งสี่คนนายระพินเป็นคนดีจริงๆนายหญิงพวกเรารับรองได้ทั้งสี่คนเรากับนัดก่อนไว้ต่างพูดขึ้นพร้อมกันในประโยคเดียวกันไม่โกหกฉันนะพูดมาตามตรงหล่อนปั้นหน้าขึงขังคาดคันใครโกหกมั่ง ใครปิดบังอะไรนายหญิงไว้กูจะกระทืบบุญคําชี้หน้าไปยังลูกน้องทั้งสามที่ยืนยิ้มยิ้มอยู่ทีละคนด้วยสีหน้าจริงจังแล้วหันมายิงฟันยิ้มกับนายหญิงบอกอ่อยๆว่าไม่มีใครกล้าโกหกนายหญิงสักคนทุกคนพูดจริงทั้งนั้นไอ้ที่ว่าพูดจริงนะ่ะจริงยังไงหล่อนรุกมาอีกจริงว่าแม่มสองคนช่วยกันปั้มนายรัพย์อุนปากเสียแล้วกู ประโยคสุดท้ายบุญคำทำคอย่นเอามือตะครุบ ป, ปากตัวเองดารินร้องอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วหันมาถามจันเกิดและเสยที่ตะคำพูดนะ่ะจริงหรือจันเกิดว่ายังไงเสยไปเชื่ออะไรลุงคำแกครับนายหญิงแกก็พูดอะไรส่งเดชกของแกไปได้ทุกวันนั่นแหละแกโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเสยบอกยิ้มยิ้มตะคำหันมาทปากจูทาท่าจะเล่นงานเสยอีก นายหญิงจุปากเบาๆคว้าคอแกได้ก็พาเดินลากออกมาห่างจากคณะเล็กน้อยครั้งแรกหล่อนปั้นหน้าเครียดแต่พอห่างพวกนั้นออกมาหญิงสาวก็หัวเราะออกมาอย่างร่าเริงเป็นสุกนายหญิงอย่าไปคาดคั้นอะไรนายรัพพินาบุญคำพูดเล่นไปงันเองแกบอกอ่อยๆยิ้มแห้งแลง้งไม่หรอกฉันไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักนิด ตั้งแต่ออกเดินทางติดตามมานี่นะไม่เคยหัวเราะ อ, ออกเลยเพิ่งจะมาหัวเราะได้เต็มเสียงเมื่อพบหน้าพวกบุญคำนี่แหละพวกบุญคำปลอดภัยเรียบร้อยดีหรือประโยกหลังหลอนพูดเป็นงานเป็นการขึ้นพวกบุญคำไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายหญิงแต่นายระพินเดินทางมาคราวนี้แย่กว่าครั้งก่อนมากล้มป่วยแทบตายอยู่หลายครั้ง แต่ไอฝรั่งพวกนั้นมันก็ช่วยกันดูแลรักษากันสุดฝีมือเลยเพราะมันรู้ว่านายตายซิคนเดียวพวกมันก็แย่พวกเขาดีกับพวกเราทุกคนไหมแรกแรกก็แย่มากๆนายหญิงบุญคํากะจะหลอกไปให้ตกเหวหลายครั้งแล้วแต่พอมาด้วยกันานานๆมันก็ดีไปเองในป่าแล้วขืนไม่ดีกับนายรัพพินกับพวกบุญคํามันก็โง่สิแหม่มสองคนนั่นเป็นยังไงบ้างหล่อนกระซิบถามเบาที่สุด ร้ายิ่งกว่าแม่มาเรียอีกทั้งสองคนบุญคำกระซิบเบาที่สุดเช่นกันน้ำเสียงจริงจังหมดแววเล่นขนองชั่วขนะแต่ไม่ทำให้ตบะของนายรพินแตกลงไปได้หรอกนายหญิงส่วนด้านฝีมือและน้ำใจก็ถึงขีดด้วยกันทั้งคู่เก่งมากทุกอย่างจะดูถูกว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้เลยดารินพยักหน้าตบไหลเอาละแค่นี้ฉันก็พอใจแล้ว หลอนพูดได้เพียงแค่นั้นจันเกิดเซยและขยินก็แห่ตามเข้ามารายล้อมไว้อีกทำให้สภาพการพบปะตามลำพังระหว่างหญิงสาวกับบุญคำไม่อ่านกระทำได้นานนัก ท, ทั้งทั้งที่หล่อนมีเรื่องส่วนตัวอยากจะซักถามบุญคำโดยเฉพาะอีกมากดารินหันไปยิ้มรับพวกนั้นแล้วพูดรุมรุมขึ้นว่าฉันอยากพบกรเรี่ยงสองคนที่ชื่ออูทะและพาโตจากหมู่บ้านตะเคียนทองที่อาสาสมัครมาแทนลูกหาบหนองน้าแห้งสองคนที่ตายไป เมื่อได้ยินนายหญิงบอกความจำงเช่นนั้นจันก็หันไปทางกลุ่มลูกหาบที่รวมหมู่พูดจาสนทนากันอยู่แล้วตะโกนไปว่าเฮ้ยไออุทะพาตโตมานี่นายหญิงต้องการพบเองสองคนสองกรเรียงหนุ่มลูกบ้านตะเคียนทองซึ่งขณะนี้ยืนสงบสงเงีน่อยู่ในกลุ่มของพวกลูกหาบทั้งสองฝ่ายพากระเดินหน้าตื่นเนเข้ามาตามคาสั่งแล้วก็มาหยุดยืนหน้าเซ่อเซอโง่โง ộ, อยู่ตรงหน้าดาริน ผู้ซึ่งจ้องพิจารณาอยู่ก่อนแล้วด้วยอาการยิ้มเมตตาเจ้าคืออูทะและพาะโต้ก่อนทักเสียงนุ่มเต็มไปด้วยความกรุณาทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วพยักหน้าใช่นายหนึ่งในสองตอบแบบคนบ้านป่าแท้จริงเจ้าทั้งสองคือเพื่อนของเสอเอิงที่ถูกกระทิงเหยียบไส้ไหลใช่ไหมทั้งสองพยักหน้าลงอีกใช่ พวกเราเดินทางผ่านตะเคียนทองและผ่านถึงห้วยเสือร้องที่พวกตะเคียนทองของเจ้าพากันอพยพหนีภัยจากโขลงช้างไปอยู่รวมกันเราได้พบสะเอิงและพวกเจ้าที่นั่นและรู้เรื่องราวทั้งหมดจากการบอกเล่าของสะเอิงทั้งอูทะพัโต้มีสีหน้าตื่นยิ่งขึ้นมองหน้ากันเองอีกครั้งและอูทะก็ถามขึ้นว่านายพบสะเอิงเรียกท่านว่านายหญิง เองสองคนรู้ไว้เสีด้วยว่าท่านคือเจ้านายของพวกข้าเหมือนเหมือนกับนายระพินเหมือนกันบุญคำบอกมาทั้งสองซึ่งยิ้มยากอยู่แล้วจึงยิ้มออกมาแห้งๆนายหญิงฉันพบสะเอิงและพวกของเจ้าทุกคนที่ห้วยเสือร้องหล่อนพูดช้าๆในลักษณะเล่าให้ฟังภาวะของความอาถรรพ์แห่งมรกรกนคร ที่ปรับทุกภาษาให้สามารถพูดจาเข้าใจกันได้ไม่ว่าใครจะใช้ภาษาอะไรทำให้การสื่อสารความเข้าใจเป็นไปได้ในลักษณะเหมือนใช้ภาษาเดียวกันไม่ว่าใครจะพูดไทยกระเรียงอังกฤษหรือภาษากูโบสอันเป็นภาษาของเจ้าของถิ่นได้ทราบข่าวจากเสอเอิงในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าทั้งสองคนหมดแล้วและรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่า อูทะและพัโตอาสาเป็นลูกหาบมากับคณะของรพินขอชมเชยว่าเจ้าทั้งสองคนเป็นบุคคลที่กล้าหาญมากที่อาสาเดินทางมากับคณะของเขาในครั้งนี้ทดแทนให้กับสองคนที่ตายไปในครั้งนั้นและขอขอบใจพัตโตยิ้มแจ่มใสบริสุทธิ์ขึ้นนายรพินช่วยชีวิตอูทะและพัโตไวคนผิวขาวพวกนั้นก็ช่วยรักษาพยาบาลสอิงให้รอดตาย คนของนายรพินขาดไปสองคนอุทาละพัโตจึงสมัครแบกหามของมาแทนให้คนของนายรพินทุกคนก็เป็นเพื่อนของอุทาละพัโตคุ้นเคยให้การช่วยเหลือพวกเราที่จะเคียนทองมาก่อนทั้งสิ้นดารินพยักหน้าลงอย่างพอใจเจ้าสองคนปลอดภัยดีหรือระหว่างการเดินทางปลอดภัยดีนายหญิงนายรพินทําให้ทุกคนอบอุ่นแม้ทางจะยากลําบาก นายหญิงตามมาพบสเสอิงเมื่อไหร่ประโยคหลังอุทะเป็นคนถามก็ประมาณเจ็ดวันหลังจากคณะของนายรพินได้ล่วงหน้าจากห้วยเสือร้องมาแล้วสเสอิงหายดีแล้วหรือนายหญิงตอนที่นายหญิงพบสเสอิงค่อยอย่างชั่วขึ้นมากแล้วและฝากความมาถึงเจ้าทั้งสองคนอันเป็นเพื่อนของเขาด้วยถ้าหากฉันติดตามมาจนพบเจ้าก็ให้บอกว่าเขาคิดถึงเจ้าทั้งสองคน และพวกพ้องพี่น้องเจ้าที่ห้วยเสือร้องทั้งหลายก็หวังรอการกลับของเจ้าทั้งสองอยู่ขอบคุณนายหญิงที่เอาข่าวมาบอกเราทั้งสองคนขณะนั้นเองเมื่อเห็นโอกาสเหมาะคณะลูกหาบชุดของระพินภายใต้การนำของนายตาบอันเป็นลูกบ้านหนองน้ำแห้งทั้งหมดก็พากันเดินตรงเข้ามาที่ดารินซึ่งทุกคนล้วนรู้จักดีอยู่แล้ว ตนนายตาบเองยกมือขึ้นไหวและคนอื่นๆก็ยืนล้อมยิ้มแย้มยินดีอยู่ทั่วหน้าดารินทักทายพูดจาทั่วหน้าในที่สุดเราก็ตามกันจนพบนะทั้งๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบและเสียใจสำหรับสองคนที่มีอันเป็นไปต้องเสียชีวิตตอนปะทะกับโรงช้างผีสิงและมันไตรชุดของนายตาบพากันหน้าสลดลงนิดหนึ่งเมื่อย้อนนึกถึงอดีตที่ผ่านมา ทำให้พักพวกต้องตายไปสองคนมันเป็นคราวเคราะห์จริงๆนายหญิงแม้แต่นายรพินก็ไม่อาจช่วยไว้ได้แต่สองคนก็ตายไปแล้วนายรพินรับรองที่จะรับอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ของสองคนนั่นต่อไปเมื่อกลับไปถึงหนองน้ําแห้งถึงนายฟรังก็รับที่จะชดเชยค่าชีวิตให้พวกเราแปลกใจไม่เชื่อว่านายหญิงและพวกของนายใหญ่ จะกล้าเสียงชีวิตมาตามนายรพินกับพวกเราในครั้งนี้นายตาบเป็นคนพูดขึ้นอย่างนอบน้อมในช่วที่มากับฝ่ายฉันคงจะเล่าให้นายตาบฟังแล้วนะว่าพวกเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไรก่อนที่จะออกจากหนองน้ำแห้งเดินทางติดตามมาในครั้งนี้ฝ่ายฉันมาเริ่มต้นที่หนองน้ำแห้งและก็ต้องอาศัยพวกลูกบ้านหนองน้าแห้งเพื่อให้เป็นคนแบกหามข้าวของอีกนั่นแหละ พวกฉั้นตามมาก็เพราะความเป็นห่วงทุกคนไม่ใช่เฉพาะนายรพินเท่านั้นแล้วอย่างไม่คาดฝันเลยนายตาบก็เอ่ยขึ้นเบาๆอย่างตรงไปตรงมาชนิดที่ทำให้ดารินฟังแล้วยืนคอแข็งว่าถ้านายหญิงไม่พระทิ้งนายรพินไว้ที่หนองน้ำแห้งคนเดียวอย่างนั้นนายรพินก็คงไม่ถูกฝรังบับับงคับให้ต้องนาทางมาแทบตายแบบนี้ลาพังารังมันบังคับไม่ได้หรอก แต่นายหญิงคงรู้เรื่องดีแล้วว่าหลวงบังคับนายรพินทางอ้อมมันเป็นงานราชการลับงานหลวงคนไทยเราต้องยอมฟรังมันอยู่เรื่อยไม่ใช่ขี้ข่าก็เหมือนขี้ข่าราชสกุลสาวฝืนยิ้มพยักหน้ารับลงอย่างสงบใช่มันเป็นความผิดของชันเองที่ทิ้งเจ้านายของทุกคนไว้ตามลาพังที่หนองน้ําแห้งนั่นก็เข้าสัญญากับชั้นไว้แล้วว่าจะไปพบชั้น เราลืมมันเสียเถิดเรื่องนั้นต่อไปนี้ไม่มีวันที่ฉันจะยอมให้เขาห่างตาฉันอีกแล้วทุกคนจําไว้ด้วยทั้งสองฝ่ายทุกคนได้มีเวลาพบปะเสวนาปราศัยกันและกันเป็นเวลาพอสมควรทั้งกลุ่มระดับเจ้านายของทั้งสองคณะและทั้งพวกลูกหาบอันเป็นลูกบ้านแห่งเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มของเชษฐาและกลุ่มของดรสแตนลีย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความพอใจในอัธยาศัายไมตรีซึ่งกันและกันเกินกว่าที่ได้เคยคาดหวังไว้ในครั้งแรกทุกคนมีเรื่องที่จะต้องพูดจาหารือกันสรารพัดเรื่องมากมายนักแต่คงยังไม่มีโอกาสที่จะกระทำได้ในระยะเวลาอันกำหนดให้อย่างค่อนข้างจะจากัดขณะนี้ เพราะภายหลังเมื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พบและทักทายกันเพียงชั่วขณะพอทั่วถึงเสียงคล้องก็ดังกระหึ่มขึ้นกังวานกล้องไปทั้งท้องพระโรงอีกครั้งพร้อมกับเสียงตะโกนขานขึ้นว่ามหาราชนีเสด็จออกเมื่อนั้นเองทั้งหมดถูกปลุกขึ้นจากสภาพการพบปะสนทนาในทันทีและโดยไม่ต้องมีผู้ใดสั่งการหรือต้องนัดแน่กันอย่างใดตั้ตงฝ่ายต่างดูเหมือนจะรู้หน้าที่ดีอยู่แล้ว กลุ่มของเชษฐาเข้ามาตั้งแถวอยู่ในที่ทางเดิมของตนเป็นขบวนตามเดิมและกลุ่มของสแตนลีย์อันมีระพินร่วมอยู่ด้วยก็แยกออกไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นสองคณะทั้งหมดยืนอย่างสำรวมมีระเบียบหันหน้าไปทางวิสูตรใหญ่หันเขึงก้านอยู่ด้านหลังของบัรลังสายตาทุกคู่พุ่งจับไปยังตำแหน่งนั้นเป็นตาเดียวท่ามกลางความเงียบสงด มีชาวพนักงานและนางกำนันชุดเดียวกับที่ได้นำเสด็จออกมาในครั้งแรกปรากฏกายออกมาจากด้านหลังวิสูตรอีกครั้งแล้วชั่วอึดใจหนึ่งสิริลักษณ์อันประงานงามของราชนีเมยานีก็ปรากฏพระวรากายขึ้นการหวนกลับออกมาสู่ทองพระโรงอีกวาระในครั้งนี้นางได้เปลี่ยนฉลององมาเป็นชุดออกสึกครบถ้วนภายใต้เกราะทองคาเป็นเกดวาวระยับ ที่รัดรึงแนบอุระเพียบพร้อมด้วยเครื่องประดับอิสริยยศประจำตำแหน่งมหาอุปราชผู้บัญชาการกองพลทหารม้ารักษาพระองค์เคลื่อนแช่มช้าออกมาประทับยืนเด่นอยู่หน้าแท่นบันลังกลางท้องพระโรงชัยพร้อมกับอาการแย้มเยินน้อยๆที่ริมโอดขณะที่กวาดเนตรไปทั่วถึงและมาสนพระไทยจับจ้องนิ่งเป็นพิเศษอยู่ทางด้านของอาคันตุ ก, กะชุดใหม่ ที่เพิ่งจะเข้ามาปรากฏกายอยู่ในท้องพระโรงซึ่งบัดนี้ข้าวแถวยืนเรียงรายระวังตรงกันอยู่ฝ่ายของสแตนลีย์ทั้งหมดรวมทั้งกลุ่มพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหลายขณะนี้พาการจ้องตะลึงไปยังร่างนั้นยกเว้นรพินไพยวันคนเดียวที่มองขึ้นไปอย่างสงบราบคาบในความรู้สึกบรรยากาศอันเงียบขนาดเข้มตกก็คงได้ยิน ณสถานที่นั้นได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งอายามิพลเกล้าเสียงขุนพลอรชุนกราบบังคมทูลขึ้นด้วยเสียงอันดังกังวานไปทั่วบัดนี้คณะอคันตุกะต่างแดนที่มีท่านพรานรพินเป็นผู้นำทางมาและข้าพระองค์ได้ไปดักรอคอยรับขบวนของพวกเขาอยู่ได้เข้ามาปรากฏกายเฝ้าอยู่แทบเบื้องพระบาทแล้วทั้งคณะทุกคนได้ยืนเฝ้าอยู่ทาง แถวซีขวานี้ทั้งหมดพระเจ้าค่ะพร้อมกับเสียงประกาศนั้นผู้เท่าอรชุนก็ชี้ไปทางแถวของรพินนางน้อมเสียนลงนิดหนึ่งพร้อมกับรอยยิ้มที่เผยเยอกว้างออกไปอีกขอบพระคุณท่านพ่ออรชุนเป็นอย่างมากที่ปฏิบัติภารกิจตามพระบรมราชโองการลุล่วงเรียบร้อยไปได้ทุกอย่างสุรเสียงหวานใสดังตอบออกมาอย่างช่มช้าชัดเจน เหลือบเนตไปทางคณะของเชษฐาซึ่งพากันยืนอยู่ทางซีกซ้ายนิดหนึ่งสวนออกมาเบาๆแล้วแปรไปจับยางคณะของด็อร์สแตนลีย์ผู้พากันยืนระวังตรงจ้องตะลึงโฉมอยู่ในขณะนี้ตามเดิมแล้วเอื่อนเอ่ยเป็นการดำรัดทักทายทางฝ่ายของคณะด็อร์สแตนลีย์ขึ้นว่าในพระนามแห่งจั ก, กราชที่ราชเจ้าราชฐานมรดกนครแห่งนี้ ยินดีในการมาถึงของพวกท่านอันเป็นอคันตุกะจากโลกภายนอกและขอต้อนรับทุกท่านขอให้ทำตัวให้สบายเสมือนหนึ่งได้อยู่ในบ้านเมืองของท่านเองพระพินไพยวันก้มศรีรษะลงโค้งคำนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเหล่าข้าพระองค์ทุกคนที่ยืนอยู่หน้าที่นี้ขอถวายสักการะแด่องค์จักราธิราชและมหาราชนีเมญานี เมื่อนั้นเองสแตนลีย์คีธอิซาเบลคริสเชิร์ดวุฒจึงก้มศีรษะลงคำนับพร้อมๆกันส่วนพวกบุญคำและพรานพื้นเมืองทั้งหลายกับพวกลูกหาบทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองหน้ากันเองเลิกลักและยืนตัวแข็งนิ่งอยู่พอมองเห็นบุญคำยกมือขึ้นพนมโจรดอกทุกคนก็ทำตามยกเว้นอูถะกับพาโต้ซึ่งไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจที่จะทำอย่างไรนางสวนน้อย เน่ทั้งคู่เป็นประกายเช่มชื่นโสมนัสจับนิ่งมาเฉพาะที่ระพินแล้วย่างพระบาทลงมาจากแท่นหน้าบันลังซึ่งประทับอยู่โบกหันไปทางฝ่ายของเชษฐาซึ่งขณะนี้ก็ยังพากันยืนตรงนิ่งกันอยู่เหมือนจะเป็นการขอองค์เพียงชั่วขณะก่อนแล้วดำเนินเข้ามาจนชิดตัวจอมพรานจ้องหน้าเขาในระยะใกล้ชิดยิ้มพรายอย่างเปิดเผย พี่ชายของแง่ทรายและเมยานียังยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมในที่สุดก็สามารถนำเอาคณะอาคารตุกะชุดนี้มาถึงดินแดนของเราจนได้อีกครั้งอย่างสมเกียรติศักดิ์ของจอมพรานที่มีนามว่ารพินไพรวันขอเน้นให้ทราบถึงความรู้สึกภายในของพวกเราทุกคนที่นี่ดีใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเห็นพี่และพวกพี่ทุกคนอีกครั้ง นางได้เอ่ยขึ้นในกระแ ส, สเสียงเดิมของอดีตแม่เสือสาวแห่งกองทัพประชาชนเหมือนจะเป็นการพูดอย่างเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาลงแต่ทุกคนก็ฟังได้ยินเป็นสำเนียงพูดปราสายทักทายอย่างสนิทสนมกันเองที่สุดที่ข้าพระองค์สามารถมาถึงที่นี่ได้อีกครั้งก็เพราะพระศิวะมหาเทพทรงเปิดทางให้ และด้วยเพราะบารมีของสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชจอมแผ่นดินของมรกรนคร น, นี้พระเจ้าค่ะนางยางสวนน้อยๆอยู่เช่นนั้นสั่นเสียงไปมาขณะ น, นี้เมยานีได้ก้าวลงมาจากบันลังนั้นแล้วและเมยานีก็คือเมยานีคนเดิมของพวกพี่ๆทั้งหลายนั่นแหละโปรดให้ความรักเอ็นดูเมตตาเมยานีเหมือนเดิมเถิดค่ะพี่รพิน เราควรจะได้พบกันตั้งแต่วันที่พี่เหยียบขึ้นหัวถนนพระสิวะแล้วแต่เมยานีติดภารกิจไปดักรอรับทางฝ่ายของนายหญิงจึงขอให้ท่านพ่อไปรับคณะของพี่เราแยกไปรับกันคนละด้านเมยานีจึงเพิ่งจะมีโอกาสได้พบพี่กับคณะที่นำมาในเช้าวันนี้เธอยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะเมยานีรพินกระซิบเบาที่สุดดีใจไหมคะ กับที่พี่ได้มาพบมงกุฎไพรของพี่ที่นี่รอคอยอยู่แล้วดีใจอย่างที่สุดอย่างสุดชีวิตที่พี่ไม่ทราบจะกล่าวเช่นไรได้อีกแล้วเมยานีนางอมยิ้มเลิกขนมขึ้นน้อยๆคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลำเค็นจนเหงื่อแทบจะหยาดออกมาเป็นสายเลือดนะคะมันสุดที่จะคุ้มถ้าพี่ไม่มุ่งหน้ามาที่นี่ พี่จะไม่มีโอกาสได้พบเธออีกแล้วในชาตินี้พี่เพิ่งเข้าใจพี่เพิ่งรู้เอาละค่ะขอให้เมยานีได้รู้จักกับคณะใหม่ของพี่ให้ทั่วถึงหน่อยรพินก้มศรรีรษะให้นางอีกครั้งแล้วออกเคลื่อนที่นำนางพญาแห่งมรกรนครแนะนำเป็นรายตัวให้ได้รู้จักไว้โดยเริ่มตั้งแต่ด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธเชิร์ดวูดเบลและคริสติน่าตามลาดับ พวกผู้ชายของฝ่ายอเมริกันรวมทั้งเชิดวุธก้มศรีรษะลงถวายเคารพอีกครั้งเมื่อได้รับการแนะนำและพากันจ้องตะลึงในโฉมสะครานของราชินีแห่งมรกฎนครซึ่งนางก็ ย, ย้มยืนทักทายด้วยอธัธยาศัยอันละมุนละม่อมเยือกเย็นกอบไปด้วยไมยตรีจิตมิตรภาพทั้งสามอยากที่จะกล่าวสนทนาพูดจาด้วยมากกว่านั้น แต่สภาวะสิ่งแวดล้อมยังไม่อำหนยให้จึงได้แต่ถวายพระพรและกราบทูลขอพระไทยในการประธานการต้อนรับเป็นอันดีและเมื่อมาถึงสองสาวอเมริกันที่จ้องตาไม่กระพริบอยู่ก่อนแล้วเมยาณีก็มาประทับยืนจ้องอย่างสนพระไทยเป็นพิเศษทั้งเบลและคริสถวายเคารพด้วยอาการย่อตัวลงทอนสายบัวนางได้สงหัดไปให้สัมผัสทั้งสองคน เธอทั้งสองเป็นเผ่าผิวขาวที่มีความงามมากนางพญาแห่งมรกฎนครรับสั่งชมพรางยิ้มจนเห็นไรทนขาวสะอาดงามเสยจนข้าคิดว่าหัวใจแกร่งปานเหล็กเพชรของบุรุษเพศผู้เคร่งศีลขนาดนักบวชก็ยากที่จะไม่วันไหวครอนแคลนไปได้โอ้โหเบลร้องอุทานออกมาพร้อมกับทำตาโตพรางหัวเราะขิขึ้น คงไม่ถึงขนาดนั้นกระมังเพคะมหาราชนีหมอมชันทั้งสองคนมองเห็นตัวเองไม่ผิดอะไรกับผ้าคีริ้วเมื่อได้มาเห็นพระสิริโฉมของพระองค์ผู้เป็นจอมนางอยู่ในมหาอาณาจาักรแห่งนี้เมื่อแรกที่เห็นความเรืองแห่งมหานครมรกฎก็คิดว่าเป็นบุญตามากมายแล้วแต่เมื่อได้ยนพระโฉมของมหาราชนีเมยานีก็ยิ่งเป็นบุญตามากขึ้นไปอีก สตรีชาวมรกรนครทุกนางล้วนมีความงามในทางสรีระและใบหน้ากันทุกคนซึ่งสตรีในโลกภายนอกไม่ได้เป็นอย่างนี้และเหนือกว่าความงามทั้งหมดของสตรีทั้งหลายในแผ่นดินนี้มาโดดเด่นสูงสุดอยู่ที่พระราชินีนี่เองแม่หญิงผมแดงเธอเป็นผู้มีวาทะเชิงสรรเสริญเยินยอได้ไพเราะและดูจะมีอารมณ์เริงร่าอยู่เป็นนิด แต่สำหรับเธอผู้มีผมสีทองผู้นี้นางเบือนพักอันละไม่อยู่ด้วยรอยยิ้มไปทางคริสแล้วยกหัตถ์ขึ้นแตะที่ปลายคางคริสเบาๆซึ่งแม่นักเคมีฟิสิกสาวก็ยืนสงบนิ่งตามปกติหล่อนเป็นคนร่างสูงอยู่มากแล้วแต่เมื่อเทียบกับนางพญาแห่งมรกตนครคริสยังเตี้ยกว่าด้วยซ้ำดูเธอจะเงียบขรึมด้วยอาการช่างคิด มีอะไรที่ไม่ปลอดโปรง่งไม่สบายใจในเรื่องใดหรือคริสย่อตัวลงอีกครั้งอย่างแช่มช้ายิ้มอย่างสำรวมหาไม่ได้เพคะหม่อมฉันเพียงแต่ยังอยู่ในภาวะตื่นตะลึงต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็นนับตั้งแต่เหยียบย่างขึ้นถนนพระศิวะมาสู่ดินแดนประหลาดอันสวยสดงดงามที่สุดชนิดที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้พบเห็นนี้และยังไม่สางต่อภาวะนั้น และเฉพาะพระพักของราชินีแห่งมหาอาณาจักรในฝันนี้หม่อมชั้นสัมผัสได้กับพระเมตตาปราณีอย่างเปี่ยมล้นของพระองค์อันจะประทับไว้ในความทรงจำตราบชีวิตจะหาไม่หม่อมชั้นและพวกพบเห็นแต่สิ่งที่จำเริญตาและความดีงามทั้งสิ้นนับแต่ได้ย่างก้าวขึ้นถนนพระศิวะดินแดนนี้เปรียบเสมือนสวงสวรรค์เมยาณีเบิกเนตรขึ้น พยักพักช้าๆพินิจดูคริสอย่างสุดทึ่งในพระไัยยิ่งสติปัญญาของเธอเฉียบคมและความงามก็เฉียบขาดลึกซึ้งนักเราคงจะได้เสวนาประสัยกันมากกว่านี้เมื่อสุดสิ้นภารกิจจำเป็นเฉพาะหน้ารับสั่งเพียงแค่นั้นนางก็ดำเนินผ่านกลุ่มของนายจ้างอเัยวการทั้งหมดของรพินผ่านไปตามแถวของพรานพื้นเมือง อันล้วนสนิทสนมคุ้นหน้ากันมาก่อนทั้งสิ้นทั้งสี่คนยืนพนมมือระวังตรงกันอกตั้งเมยาณีมาหยุดอยู่ที่หัวแถวอันเป็นบุญคําก่อนพอเห็นหน้านางก็สวนออกมาเบาๆลุงคําเอามือลงได้แล้วขอบใจมากนะที่อุตส่าห์บุกบั่นมาจนถึงที่นี่อีกครั้งพระยาค่ะขอให้พระราชินี จ, จงเจริญโอสง่างามสมศักดิ์ศรี ทุกฝีก้าวย่างทีเดียวนางหนูเอ้ยสมแล้วที่เป็นจอมนางในแผ่นดินมรกรนครนี้ตาเท่าพองคอกราบทูลเบาๆส่วนประโยคหลังดูเหมือนจะเป็นการรำพึงกับตนเองเมญานีเคลื่อนต่อไปที่จันทักว่าณนะจันเกิดและเสยทุกคนคงไม่ลืมวันคืนแห่งสงครามกู้ราชบัลลังก์ที่พวกเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมานะไม่ลืมพะยะคะ่ะ ไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างในมรกรนครนี่ทั้งจันเกิดและเสยตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวด้วยสีพระพักอันยิ้มแย้มอยู่เช่นนั้นเมยานีสเสด็จผ่านทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิดไปยังบรรดาพวกลูกหาบที่มากับคณะของสแตนลีย์ทั้งหลายและดํารัดทักทายด้วยทุกคนจนครบแล้วดำเนินตัดผ่านกลางระหว่างแถวของเชษฐาและแถวของสแตนลีย์ กลับขึ้นไปประทับยืนเด่นอยู่บนแท่นหน้าบันลังอีกครั้งพร้อมกับประกาศขึ้นด้วยสุระเสียงที่ได้ยินกลงวานไปทั่วว่าข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายของพวกท่านที่ได้มาพบป ะ, ะเผชิญหน้ากันยังกลางราชฐานมรกรนครแห่งนี้คงจะได้โปรดรับทราบไว้ด้วยเถิดว่า มรกตนครกำลังรอต้อนรับคณะท่านทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วด้วยสัญญาณบางประการที่ฝ่ายเราได้รับรู้ล่วงหน้ามาก่อนดินแดนนี้เป็นมิตรกับมนุษยชาติทุกเพศพันธุ์ภาษาอันเป็นเพื่อนร่วมจั ก, กรวาลหากว่าจะเป็นการมาเยี่ยมเยือนด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถที่จะบุกบัตมาได้จนถึงและสาหรับคณะอคันตุกะ ที่เพิ่งจะมาถึงชุดใหม่เป็นวาระแรกนี้ข้ามีข้อแนะนำว่าเมื่ออยู่ในมรกนณรขอให้ท่านจงปฏิบัติตนเยี่ยงชาวมรกนณรจนกว่าท่านจะได้พระจากไปแล้วระหว่างที่ฝ่ายของเชษฐายังยืนสงบนิ่งกันอยู่นั้นฝ่ายของสแตนลีย์ซุบซิบพูดจากันเบาที่สุด Be โรแมนเควนยูอาร์อินโรมหลอนหมายถึงอย่างนั้นคิด กระซิบกับสเตนลี่ไม่เพียงแต่จะสวยสง่าสมเป็นนางพญาของที่นี่เท่านั้นลักษณะท่าทีและคำพูดของหล่อนแสดงให้เห็นชัดถึงการเป็นผู้ที่มีการศึกษาอย่างดีมาแล้วหัวหน้าคณะกระซิบตอบอย่างงงๆก็ไม่น่าสงสัยหรอกแผ่นดินนี้เจริญสูงสุดแล้วด้วยอาระยะธรรมจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแลเห็นอยู่นี่ แม้จะเป็นอาระยะธรรมแบบย้อนกลับไปสู่ยุคพันปีก่อนนี้ก็ตามเชิดวุธแผ่วเสียงลอดไรฟันออกมามหาสจัลจ ร, ริจริงๆไม่น่าเชื่อเลยถ้าไม่มาเห็นกับตาตัวเองหรือยังไงคริสเบลครางเป่าลมออกจากคริมฝิปากทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมหาสจรรั์ชนิดที่หาคำตอบไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่คุณหญิงดารินคนนั้นทาไมครั้งแรก เราเห็นเพียงในรูปถ่ายที่ติดตัวรพินยอยู่เราก็สงสัยกันว่าทำไมถึงมีหน้าละไม้ภาพแกะสลักของมงกุฎราชกุมารีของนิทรานครตรงมาหาสุสานที่เราลงไปพบหีบศพสีชมพูนั่นแต่พอมาเห็นตัวจริงของผู้หญิงคนนี้ยิ่งปรากฏว่ามีเข้าหน้าเหมือนภาพแกะสลักนั่นราวกับคนคนเดียวกันคุณหญิงดารินคนนั้นมหัศจรรย์กว่านางพยาเมยาณีคนนี้เสียอีก คริสพึมพำออกมาเหมือนพูดกับตนเองฉันลืมลักษณะหน้าตาของภาพแกะสลักที่มหาวิหารแห่งนั้นไปเสียแล้วเวลว่าแต่ฉันยังจำได้ติดตาอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขณะนั้นเองเชธาก็กราบทูลขึ้นท่ามกลางความเงียบพวกเราทั้งสองฝ่ายสองคณะที่มาเยี่ยมเยือนจนถึงที่นี่แล้ว มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เฝ้าองค์จักรราธิราชซึ่งเราไม่ได้ข่าวคราวของพระองค์เป็นที่กระจ่างชัดเลยว่าขณะนี้ทรงประทับอยู่ที่ไหนอย่างไรเมยาณียิ้มพลายมองมาทางรัพินซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มสแตนลีย์ท่านเองก็คงประสงค์เช่นนั้นด้วยใช่หรือไม่ท่านพรานผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าคะ่ระรับพินสนองตอบทันทีสั้นๆ ข้าพร้อมแล้วที่จะนำพวกท่านให้ได้ไปพบเห็นกับสิ่งที่ได้ร่ำร้องปรารถนาในทันทีที่เหยียบขึ้นถึงแผ่นดินมรกนครที่ได้ปกปิดไม่ได้ตอบคำถามใดๆแก่เหล่าท่านทั้งหลายมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เกิดจากเล่อาพรางหรือมีสิ่งใดแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นแต่เป็นพระราชประสงค์ขอ ง, ององค์จักรราธิราชเอง ที่ให้รอจนกว่าทั้งสองฝ่ายของพวกท่านมาถึงราชฐานแห่งนี้ให้พร้อมหน้าเสียก่อนเท่านั้นข้าจะนำพวกท่านไปให้เห็นด้วยตาของท่านเองณบัดนี้พระองค์ก็ทรงรออยู่แล้วเช่นกันรอที่จะพบกับพวกท่านทุกคนรับสั่งจบกระแสความนั้นเมยานีก็หันไปทางผู้เฒ่าอรชุนท่านพ่ออรชุนพระเจ้าค่ะ ได้โปรดเตรียมการให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการนับบัดนี้สำหรับข้าเองจะไปรอคอยอยู่ก่อนที่ลานฝึกซ้อมทหารหน้าสนามชัยเมื่อขุนพลอรชุนน้อมคำนับรับคำนางพญาแห่งมรกฎนกครก็ยกหัดขึ้นโบกแก่คณะทั้งสองฝ่ายรับสั่งมาเป็นประโยคสุดท้ายว่าเราทั้งหมดจะไปพบกันที่สนามชัยและจะออกเดินทางด้วยกันทันที พวกท่านทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวเดินทางได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านพ่ออรชุนและพรมเมธจะชี้แนะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเองอีกสักครู่พบกันที่หมายกำหนดและอย่างฉับพลันทันด่วนที่สุดเมยานีก็เสด็จล้ำหายเข้าไปทางด้านหลังวิสูตรโดยทันทีที่รับสั่งจบในขณะที่ทุกคนยืนกันอยู่ในห้องพระโรงแห่งนั้น ก้มศรีรษะลงทำความเคารพโดยพร้อมเพรียงด้วยอาการอันงงงงเมื่อราชินีเมยานีรับพระวรกายออกไปจากท้องพระโรงนั้นแล้วคุนพลเท่าอรชุนก็เคลื่อนเข้ามายืนอยู่ระหว่างกลางของทั้งสองคณะที่ยังผ่ากันยืนสงบนิ่งอยู่หน้าสถานที่นั้นเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้าวต่ำได้ยินไปทั่วว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วขอเชิญเหล่าท่านทั้งหมดทุกคนทั้งสองคณะ ตามข้ามาเถิดหน้าท้องพระโรงจะมีม้าจัดไว้ให้ท่านทุกคนพร้อมแล้วเราจะตรงไปยังบริเวณสนามชัยเพื่อชุมนุมกันที่นั่นพระราชนีและข้าทหารที่จะตามเสด็จในครั้งนี้จะประทับรอคอยพวกท่านอยู่ก่อนเมื่อพวกท่านไปถึงเราทั้งหมดจะออกเดินทางไปเฝ้าองค์จั ก, กราธิราชโดยทันที จบคำพูดนั้นโดยไม่เปิดโอกาสให้คนใดคนหนึ่งมีคำถามใดๆขึ้นอีกทั้งสิ้นอรชุนก็โบกมือกับทหารคนสนิทของตนแล้วออกก้าวเดินนําหน้าไปก่อนทันทีฝ่ายของเชษฐาและฝ่ายของรพินต่างมองหน้ากันประเดี๋ยวรู้เองครับว่าแง่ทายทำอะไรอยู่ที่ไหนผมว่าเราหยุดคำถามทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนดีกว่าตามอรชุนไปเดี๋ยวนี้เถอะ ระพินพูดกับเชิดเาเบาๆพรางหันปอธิบายสั้นๆกับฝ่ายนายจ้างใหม่ของเขาทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจจึงพากันเดินเป็นกลุ่มใหญ่ตามการนําของออรชุนออกไปทั้งหมดรวมทั้งพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองของทั้งสองฝ่ายด้วยผ่านระเบียงและลานหินอ่อนกว้างใหญ่หน้าท้องพระโรงออกมาสู่บริเวณที่โลง่งทั้งหมดมองเห็นม้าศึกติดเครื่องสงครามพร้อมมีทหารจูงประจาอยู่ม้าละคน เป็นขบวนใหญ่รอคอยอยู่แล้วอรชุนและขุนทหารยืนรออยู่ยังบริเวณนั้นและโบกมือเป็นสัญญาณเตือนให้ทั้งหมดขึ้นหลังมาทั้งสองกลุ่มพากันยืนเหมือนจะลังเลอยู่อึดใจหนึ่งมองหน้าคล้ายจะหารือกันอีกครั้งเชษฐาจึงเข้ามาตบไหลระพินบอกเบาๆว่าไม่ต้องห่วงระพินระหว่างที่พวกเราทั้งหมดออกเดินทางไปด้วยกันนั้น ไม่ว่าจากที่นี่ไปสนามชัยหรือจากสนามชัยมุ่งไปยังจุดใดก็ตามขอให้คุณไปรวมอยู่ในกลุ่มนายจ้างของคุณเพื่อพวกเขาจะได้อุ่นใจและมีโอกาสได้พูดจาาสนทนากับคุณได้ทางด้านผมไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเรายังมีเวลาที่จะพบปะกใกล้ชิดกันอีกมากนะักแต่ในระยะแรกๆนี้ผมต้องการให้คุณปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศน์นำทางและผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาทุกคน ให้เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าคุณมาร่วมอยู่กับผมเวลานี้พวกเขาจะรู้สึกว่าเวมากทีเดียวจำไว้ว่าคุณยังเป็นลูกจ้างของเขาแต่นั่นยังไม่สาคัญเท่ากับคุณเป็นขวัญและกำลังใจของพวกเขาทุกคนระพินยิ้มออกมานิดหนึ่งยกมือขึ้นแตะปีกหมวกและมีอาการเหมือนจะพูดอะไรกับเชษฐาขณะนั้นเองดารินผู้ยืนอยู่ใกล้พี่ชายก็รีบบอกมาโดยเร็วว่าไปเถิดคารพิน ไปนำกลุ่มพวกนายจ้างคุณก่อนพวกเราทางด้านนี้รู้ดีว่าพวกเขาจะไม่สบายใจเลยถ้าไม่มีคุณอยู่ใกล้แม้ว่าบรรยากาศมันจะปลอดโปร่งสักขนาดไหนก็ตามขอบพระคุณอย่างสูงทั้งสองท่านแล้วค่อยพบกันครับพรานใหญ่พูดแบบคนเคยอยู่ใต้บัคับบัญชาแล้วพระไปทันทีเมื่อเขาตรงไปยังกลุ่มของสแตนลีย์ เห็นทุกคนของคณะนายจ้างก้าวขึ้นไปอยู่บนหลังม้าหมดสิ้นแล้วและกำลังมองจับมาที่เขาเป็นตาเดียวเมื่อมองเห็นรับพินเดินเข้ามาร่วมทางด้านของตนก็ดูเหมือนจะพากันรอบถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกรับพินเหวี่ยงตัวขึ้นไปยังหลังม้าตัวสุดท้ายซึ่งมีทหารถือสายบังเหียนไว้ให้ก่อนแล้วซึ่งยืนอยู่ในกลุ่มของสแตนลีย์พอเขาทรงตัวได้ถนัดรับสายบังเหียนจากทหารมาถือไว้ อิซาเบลผู้ยืนมา้าอยู่ใกล้เขามากที่สุดก็กระซิบมาปนยิ้มว่านึกว่าจะไม่มีคุณอยู่กับพวกเราเสียแล้วภารกิจผมยังไม่เสร็จสิ้นครับเบลและผมไม่เคยท้อทิ้งหน้าที่ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเสียงคริสพึมพำมาเบาๆจากทางขวามือของเขามาที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมดครบจานวนคนพอดีคือ36ตัว เป็นของฝ่ายระพินยี่สิบตัวและฝ่ายของเชษฐาสิบหกตัวหลังจากนั้นอีเพียงสามถึงสี่นาทีขบวนทั้งหมดก็พร้อมอรชุนขี่ม้าดำทมึนเหยาะย่างมายืนอยู่ด้านหน้าของขบวนทั้งหมดปิดหลังด้วยม้าของสุกรีพรหมเมรยุทธถิตและขุนทหารอีกสองสามคนขุนพลเท่าสอดสายตาสำรวจ เมื่อเห็นว่าทั้งหมดขึ้นประจำอยู่บนหลังม้าหมดสิ้นแล้วก็โบกมือและชักม้าเหาะนําหน้าไปในบัดนั้นม้าทั้งหมดก็เคลื่อนตามโดยมีฝ่ายของเชษฐาเดินม้าเป็นแถวเรียงสามําหน้าไปก่อนและฝ่ายของรพินเชื่อมต่อท้ายติดตามมาทั้งชุดโดยถนนกว้างโรยกรวดอันเป็นบริเวณของราชฐานชั้นในนั้นทั้งหมดภายใต้การนาของอรชุน และขบวนทหารหนึ่งหมวดควบเหยาะไปอย่างไม่เร่งร้อนอะไรนักตัดบริเวณอันเป็นที่ตั้งของปรางมหาปราศาสต์ตัวอาคารพื้นสนามหญ้าเขียวคจีอันกว้างใหญ่และเขตอุทยานหลวงมุ่งตัดออกสู่บริเวณทิศวันออกอันเป็นที่ตั้งของสนามชัยซึ่งเป็นเป้าหมายจุดแรกที่มองเห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้าเมื่อมองเห็นภูมิประเทศ อนาบริเวณอย่างถนัดตาในเวลากลางวันเช่นนี้คณะอเมริกันทั้งหมดเบิกตาจ้องสำรวจไปรอบๆอย่างตื่นตะลึงพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะมีมาหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เรืองรองไปด้วยสถาปัตยกรรมประติมากรรมและศิลปกรรมเทียบเท่ามาหาอาณาจักรโรมันหรือกรีกในอดีตการซ่อนเร้นอยู่ในความลี้ลับแห่งเทือกเขาพระศิวะเช่นนี้ ตื่นตาตื่นใจจนไม่อาจบรรยายถูกนอกจากขม่นมองจ้องเหมือนจะไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้กอดนี่ถ้าไม่ได้เกิดจากอาการตาฝาดของเราฉันว่าอาณาจาักรโรมันหรือกรุงเอเธนในอดีตก่อนคริสตกาล <c oughs> ก็คงเทียบบรารกกนครที่นี่ไม่ได้เลยสวยงามและยิ่งใหญ่เหลือเกินเบลอุทานออกมา ฉันมีความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห่วงแห่งความฝันอันจะเชื่อเสียไม่ไดท้ทั้งทั้งที่ดวงตาทั้งสองยังเปิดอยู่คริสขยับปริมฝีปากหมุบมิบขยี้ตาอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่ามองเสียให้เต็มตาดูดรับภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจำของพวกคุณไปจนตลอดชีวิตเพราะว่าเมื่อพวกคุณจากไปสู่โลกภายนอกแล้วคุณจะไม่มีโอกาสกลับเข้ามาพบเห็นได้อีก และไม่มีโอกาสที่จะนําความนี้ไปบอกเล่าให้ใครฟังได้อีกด้วยจอมมะขุเทศบอกกับคณะนายจ้างด้วยเสียงต่ําลึกพร้อมกับอาการหัวเราะเหือๆในลําคอระหว่างที่เหยาะม้าไปกลางกลุ่มนายจ้างอเมริกันของเขากูจะบ้าตายหามันมีเมืองใหญ่โตอย่างนี้ได้ยังไงกันนี่บนเทือเขาลูกนี้ตอนที่ระพินเล่าให้เราฟังขณะที่พักอยู่ตรงเนินพระจันทร์ บอกตรงๆฉันฟังไปงั้นเองไม่เคยเชื่อเลยคิดคลางออกมาพร้อมกับกระพริบตาอยู่ปริบๆก็เพราะมันเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละจึงไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วว่าทำไมเครื่องบินและระเบิดสิบธม์เมกาตานของเรามันจึงหายไปอย่างลึกลับที่สุดจุดนี้เป็นจุดของแดนสนธยาอย่างแท้จริงและเราได้สัมผัสกับมันตั้งแต่วินาทีแรก ที่เหยียบขึ้นถนนพระศิวะแล้วสแตนลี่เอ่ยขึ้นเสียงพราาแล้วยกมือขึ้นทำอาเมนเหมือนจะเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้เขาและคณะได้มีชีวิตผ่านพ้นมหาพิบัติภัยนานาประการมาจนถึงแผ่นดินประหลาดที่นี้ได้ส่วนเชิดวุธร้องบอกรัพินมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ได้พาผมมาพบและเห็นทาให้ผมไม่เสียดายชีวิตแล้วถ้าหากว่า พรุ่งนี้หรือมรืนนี้ผมจะต้องตายไปผมไม่นึกเสียใจยสักนิดที่บังเอิญมีโอกาสได้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากสาหัสสักแค่ไหนสวรรค์เบื้องบนและพระมหาเทพทรงให้ความปราณีแก่พวกคุณทั้งหมดแล้วจึงเปิดทางให้ผมนำมาจนถึงประตูชัยด่านสุดท้ายนี้ผมขอร้องให้ทุกคนประพฤติและปฏิบัติ ในสิ่งที่ชอบที่ควรด้วยเมื่ออยู่ยังดินแดนนี้รรบพินบอกมาเป็นประโยคสุดท้ายเหมือนจะเป็นคำตักเตือนเมยานีประทับอยู่บนหลังอัสดรสีขาวรอคอยอยู่แล้วณ ห, หน้าลานหินส่วนหน้าของสนามชัยอันเป็นบริเวณเสด็จออกเยี่ยมเยียนพบปะไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของจอมกษัตริย์ พร้อมด้วยทหารม้าประมาณหนึ่งกองร้อยเมื่อฝ่ายอาคันตุการทั้งสองคณะได้เคลื่อนมาถึงและเข้าสมทบนางก็ให้ทหารชูธงปลายห อ, อกโบกเป็นสัญญาณกับทหารที่นำแขกเมืองเหล่านั้นมาเพื่อให้เคลื่อนตามทันทีแล้วนางพญาแห่งมรกฎนครก็ชักม้าออกวิ่งนำไปเบื้องหน้าติดตามด้วยทหารม้าทั้ง1กองร้อยนั้นฝ่ายที่เพิ่งมาถึงไม่มีโอกาสที่จะหยุดพัก หรือเข้าเฝ้าใกล้ชิดอย่างใดอีกทั้งสิ้นเพราะถูกบังคับในตัวให้เร่งออกเดินทางไปพร้อมกับขบวนนั้นในทันทีที่มาถึงโดยมีทหารของอรชุนที่ติดตามมาตั้งแต่เคลื่อนออกจากท้องพระโรงควบม้าขนาบเคียงรายรอบเป็นพี่เลี้ยงกำกับมาด้วยและอรชุนนั้นก็ยังนำอยู่เบื้องหน้าของขบวนถัดจากกองทหารของราชนีเมยานี การเคลื่อนขบวนเริ่มผ่านเข้าเขตชุมชนหนาแน่นกลางเมืองซึ่งมีประชาชนสัญจรไปมาโดยที่ชาวประชาเหล่านั้นไม่ได้รู้ล่วงหน้าในการเสด็จหรือมีหมายกำหนดการใดๆให้ทราบมาก่อนนอกจากมีทหารม้ายืนเรียงรายคอยเปิดทางสะดวกให้ผ่านมาโดยตลอดทุกม้าอยู่ในสภาพวิ่งแต่ไม่ถึงกับเร่งความเร็วจนเกินไปนัก ผ่านถนนใหญ่สายสำคัญผ่านจัตุรัสใจกลางเมืองต่างๆมาได้สักพักหนึ่งก็มองเห็นประตูเมืองด้านตะวันออกเปิดอ้ากว้างซึ่งมีทหารม้ายืนเรียงรายคอยปิดกั้นการสัญจรตั้งแถวรับเสด็จอยู่ก่อนแล้วและขบวนนำหน้าก็เริ่มจะเร่งฝีเท้าม้าให้ควบเร็วเพิ่มขึ้นทุกขณะ ทุกคนของฝ่ายอาคาันตุกะไม่มีโอกาสที่จะพูดจานสนทนาอะไรกันได้อีกแล้วในภาวะที่ม้าถูกเร่งความเร็วขึ้นเช่นนี้สำหรับฝ่ายเชษฐานั้นตระหนักได้ทันทีว่าเมยานีต้องการเร่งเวลาแล้วเพื่อจะเดินทางไปยังเป้าหมายให้ถึงโดยเร็วที่สุดและขบวนที่นางได้จัดให้คณะทั้งหมดไปนี้เป็นขบวนทหารม้าจำนวนจำกัด ปฏิบัติภาระเฉพาะกิจอันไม่เปิดเผยให้เป็นที่ล่วงรู้เอกระเกดิดใดๆทั้งสิ้นเหมือนเป็นการเดินทางไปแบบส่วนพระองค์เท่านั้นหาได้เคลื่อนไปเป็นกองทัพไม่คงคัดเลือกมาแต่ข้าทหารรับใช้ใกล้ชิดไว้วางใจได้อันเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าทหารรักษาพระองค์ฝ่ายในเท่านั้นผ่านประตูเมืองผ่านลงท้องทุ่งกว้างราบเรียบและมุ่งขึ้นสู่ถนนสายใหญ่อันเชื่อมต่อกับถนนพระศิวะ กลุ่มของอคันทุกะก็ยังคงแบ่งออกเป็นสองชุดอยู่เช่นนั้นคือกลุ่มของเชษฐาอยู่ใจกลางและกลุ่มของระพินตามติดมาเบื้องหลังปิดท้ายด้วยกําลังทหารอีกชุดหนึ่งดารินนั้นพยายามสอดสายสายตาที่จะมองหาขุนทหารผู้ใดผู้หนึ่งที่หล่อนเคยรู้จักคุ้นหน้าเพื่อประกบชิดและคอยซักถามอะไรบ้างแต่ไม่ว่าสุกรีโพรมเมธยุสถิตหรือวิกรมล้วนควบอยู่ห่างไกลออกไปยังปีกขบวนทั้งสองข้าง ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเลยครั้นหล่อนจะเร่งฝีเท้าเพื่อควบตัดขบวนขึ้นไปให้ทันเมยานีซึ่งนำอยู่หน้าสุดก็ปรากฏว่าม้าของหล่อนเองและพักพวกทุกคนดูเหมือนจะถูกเลือกกำหนดฝีเท้ามาแล้วคือไม่สามารถวิ่งได้เร็วเกินไปนักเหมือนกับว่าจงใจไม่ให้ตีประกบขึ้นมาได้ทันต่างกว่าเมื่อครั้งไปรับที่กลางถนนพระศิวะไอ้ม้าพวกนี้ที่จัดมาให้เราขี่สูงใหญ่สุเปล่า แต่วิ่งยังกลางั้นแหละดารินร้องรั่นชี้ลงไปที่คอม้าให้พี่ชายใหญ่ดูพร้อมกับตะโคนลั่นขณะที่เชษฐาควบม้าเข้ามาใกล้ใจเย็นๆน้อยตามเมญานีไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่ต้องกวดไล่ขึ้นไปให้ทันหรอกเชษฐารู้ทันน้องสาวร้องบอกมาดารินสันสีรษะอย่างขัดใจแล้วหัวเราออกมาร้ายจริงพวกเราถูกวางยาจํากัดฝีเท้ามาเสร็จแล้ว แม่คุณเอาม้าตัวใหญ่แต่ฝีเท้าแบบลามาให้เราขี่เมยานีคงไม่ต้องการให้เธอกวดทันไปพูดจาซักโนนถามนี่อยู่ให้รําคาญกระมังถึงเอาม้าแบบนี้มาให้เราตามไปแบบนี้ก็ดีแล้วนี่จะเร่งร้อนไปไหนอนุชาตะโกนบอกมาอีกคนหนึ่งพี่กลางว่าเมยานีจะพาเราไปที่ไหนคะปราสาสต์มหาอุมาเทวีเชื่อว่าไม่ผิดแน่ และต้องการให้เราไปกันอย่างมีระเบียบภายใต้การนำของทหารป้องกันไม่ให้ใครใจร้อนพุ่งแหวกขึ้นไปก่อนถึงได้จัดฝีเท้าม้าเลวพวกนี้มาให้พวกเราทั้งหมดขี่แต่ม้าฝ่ายเขาฝีตีนจัดกันทุกตัวคนอื่นคงไม่เท่าไรแต่น้อยนั่นแหละที่เมยานีไม่อยากจะให้แหกข้อออกไปเรามันคงพูดมากปัญหาแย่เขาคงจะราคาญก็เขาพาเราไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว จะไปคิดซักถามอะไรเข้าอยู่อีกให้เสียเวลาดารินคอนอนุชาตาควา่ำทำปากหมุกมิบแล้วไม่พูดจาคำใดอีกเลยพยายามทดลองลงแท่ม้าตัวที่ขี่อยู่สักเพียงไรมันก็คงวิ่งกุบกับของมันไปตามเรื่องไม่สนใจที่จะผลเพ่นเร่งฝีเท้าขึ้นเลยและทำท่าจะออกฤทธิ์โดยวิธีผ่อนฝีเท้าลงมาตามลำดับจนหล่นหมดความคิดที่จะเร่งมันในที่สุด ก็ถอนใจเฮือกปล่อยให้มันปูเลงไปตามใจสมัครของมันเองตะวันตรงศีรษะพอดีเมื่อกองมา้านำหน้าเลี้ยวที่แยกของถนนใหญ่และบ่ายหน้าไปทางปราสาทของมหาอุมาเทวีซึ่งทุกคนของฝ่ายเชษฐาจดจำทางได้มันตรงกับที่อนุชาบอกไว้ก่อนทุกอย่างแล้วอีกช่วงไม่นานต่อมาก็มารล้ถึงลานเรียบโล่งเตียนหน้าภูเขาลูกใหญ่ยอดปรางอันเป็นภูเขาหินทั้งลูก และเห็นอยู่เบื้องหน้าตำแหน่งนั้นมีทหารอีกประมาณสองกองร้อยยืนมา้าตั้งแถวเรียงรายอยู่ก่อนแล้วส่วนหน้าอันเป็นหัวขบวนนำเสด็จราชินีเมยานีเริ่มผ่อนฝีเท้าลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นเหาะแล้วแปรขบวนออกเมื่อถึงที่หมายทหารทั้งหมดลงจากหลังมา้าคงมีราชินีเท่านั้นที่ประทับอยู่บนหลัง อ, อัศดรศึกสีขาว พินพระาพากรับมายังขบวนที่กำลังติดตามเข้ามาพร้อมด้วยรอยแย้มสวนน้อยๆที่สุดทั้งหมดทยอยกันเข้ามาถึงภายใต้เพิงศิลาอันกว้างใหญ่หน้าบริเวณอันมองเห็นชัดว่าเป็นมหาวิหารขนาดมหึมาอันเจาะเข้าไปในภูเขาทั้งลูกหวังว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะไม่เหนื่อยกันจนเกินไปนัก นางพญาแห่งมรกฎนครทรงรับสั่งไปยังทุกคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาขณะที่ทอดพระเนตรไปยังทุกคนเหมือนจะทรงสำรวจว่าได้มาถึงพร้อมกันหมดแล้วหรือยังข้าได้นำพวกท่านมาตามสบายโดยไม่ได้เร่งร้อนใดๆทั้งสิน้นเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนบัดนี้พวกท่านได้มาถึงแล้วณนะที่นี้บางท่านคงจะจำได้ดีเพราะได้ผ่านเข้ามาก่อนแล้ว และบางท่านก็ไม่เคยได้พบผ่านมาก่อนทุกคนเงียบกริบไม่มีใครปริปากคำใดทั้งสิน้นเมยานีประทับเว้นระยะนิ่งไปอึดใจหนึ่งก็รับสั่งต่อไปว่าบัดนี้พวกท่านพร้อมหรือไม่ที่จะเข้าเฝ้าองค์จั ก, กราธิราชเจ้าเช่ดท้ามองสบตาไปทางรพินแล้วพยักหน้าเชิงให้กราบทูลแทนคณะทั้งหมด แต่แล้วก่อนที่พรานใหญ่จะกล่าวออกมาเช่นไรนั่นเองดารินก็ชักมาออกมายืนประจันหน้าราชินีเมยานีพวกเราทุกคนนั้นพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ทางฝ่ายมรกรณไม่พร้อมเสียมากกว่าหล่อนพูดช้าชชัดเจนได้ยินไปทั่วจ้องประสานเนรเมยานีเขมงสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครั้งหนึ่งเราได้เคยผ่านเข้าไปก่อนแล้วเป็นมหาเทวาล แหล่งสถิตของพระศรีมหาอุมาเทวีเบื้องพระปริศดางเข้าไปคือสุสานที่เก็บพระศพของบรรพกริยัแห่งราชวงศ์เทพและลึกลงไปกว่านั้นก็คือขุมเพชรมหาสมบัติของสมเด็จพระแม่เจ้าพวกเราสงสัยเหลือเกินว่าจั ก, กราธิราชทรงประทับอยู่ณที่นี้หรือเมยานีมีสีพระพักวางเฉยแต่เนตรมีแววยิ้มสถานถิ่นนี้สงบ วิเวกยิ่งและเป็นสถานที่อันสมควรสำหรับพระองค์ที่ทรงเลือกเองโดยไม่ได้มีผู้ใดชี้นำหรือบีบบังคับอดีตแม่เสือสาวแห่งกองทัพประชาชนผู้ปัจจุบันคือราชินีแห่งอาณาจักรมรกรนครรับสั่งต่อมาอย่างแฝงเลใ่ในคล้ายทรงมีเจตนาที่จะทำให้สั่นสะเทือนเข้าไปในความรู้สึกของฝ่ายเชิาทุกคนดารินขบวดคิ้วนิดหนึ่ง เม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงชายหางตาชำาเลืองแวบไปยังเหล่าทหารทั้งหลายที่ยืนรายล้อมสงบนิ่งอยู่เอาละก่อนที่พวกเราทุกคนจะเข้าไปเห็นกับตาตัวเองขอทราบว่าพระองค์ประทับอยู่สถานที่นี้ในสภาพใดบรรทมสนิทนิ่งอยู่ในหีบพระศพกระนั้นหรือ